เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายแต่รลวงปู่โพธิยานกำมานำเสนอเรื่องสัมพุทธชงคือองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบททัติในสัสรุธรรมตามเสด็จรอญโคนบาทของพระพุทธเจ้ามาตามลำดับแต่ว่านำไปศึกษารายละเอียดตามที่ท่านแสดงไว้แอนตกรถามาสติปัฏฐานสูตร และแตกะถาเหล่าอื่นด้วยก็วพูดมาถึงเรื่องของสมาธิสัมปช ong คือเหตุที่จะให้เกิดสมาธิสัมปชง n g มาทํำยังไงจะให้สมาธิสัมปช ong มาเกิดขึ้นก็ได้พูดมาถึงสองประเด็นประเด็นแรกก็คือทําวัตถุให้สละสดวย คำว่าวัตถุ ก, ก็คืออารมณ์ที่เรากําหนดระลึกนะอะไรก็ได้ซึงบางทีมันก็มีความเป็นรูปธรรมในรยละเอียดเช่นลมหายใจเข้าออกบางทีก็เป็นนามธรรมอย่าพุทธานุติธรรมานุติสังขารนุสติบางทีก็เป็นรูปธรรมอย่ากสินทั้งสิบประการหรือสุภาษิตประการเนี่ยอะไรปฏิกุลสัญญาเจตุธาตุวัฏฐานในพวกรูปธรรมก็หมายความว่า เสวงหาวัตถุเหล่านั้นเนี่ยที่มันถูกกระริตของเราแล้วก็ทำให้มันเหมาะที่จะเป็นอารมณ์กำหนดลึกเช่นสมมติว่าเราจะระลึกถึงกระสินกระดินที่มาทำเป็นดวงกระสินทาเป็นบงกระสินนั้นก็ทาให้เรียบร้อยสลดสดยัดะดวยไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปก็สามารถที่จะไปมองได้ เราดูลงหายใจก็ออกก็หายใจเข้ า, ออ า, ขาลึกๆก็จะออกลึกๆก็ดูทางลมก็ดีแล้วก็เริ่มกำหนดทะลึกแล้วก็ปรับอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยอินทรีย์ทั้งสี่นะฮะอินทรีย์ทั้งสี่ให้เสมอกันคือปรับศรัทธา ก, กับปัญญาให้เสมอกันปรับความเพียรกับสมาธิให้เสมอกันแล้ประการต่อไปก็คือฉลาดในนิมิต หมายความว่าในขณะที่เพ่งพินิษดูนิมิตอารมณ์ของกรรมฐ า, านแล้วก็ผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในจิตเป็นความเปลี่ยนแปลงจากการเจริญสมาธิมันอาจจะเปลี่ยนแปลงออกมาในด้านต่างๆแล้วก็ยากที่จะยังรู้ได้มันเปลี่ยนแปลงมาทางอะไรแต่นั่นก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่ เราจะต้องมองให้เกิดความเข้าใ จ, จมีความชัดเจนแต่ที่นี้จิตเวลามันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้หลายอย่างก็ไม่รู้เป็นี่ยนไปอย่างไหนบ้างเพียงแต่ว่าเรามีสติสมัมปชัญญะระลึก ร, รู้เท่าทานไว้ น, นี่จิตมันเปลี่ยนไปอย่างนี้จะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องกับกรณีนั้นนั้นเช่นสมมติว่าจิตมันอยู่ที่สมาธิจิต ด, ดําเนินไปดีในสมาธิมีปีติมีอาการของสมาธิ เมีอาการของธรรมวิจัยเนีอาการของความเพียรแสดงว่าจิตไปดีก็ทํานองใกล้ๆกับคนขับรถนะฮะคือรถมันตั้งหลักได้ดีแล้วก็จะพวงมาลัยแต่บเบาไปือไม่ต้องเวียงซ้ายแรงขวาแรงก็เรียกว่าประคองรถแต่มันไปาปกติแล้วบางทีก็อย่างเครื่องบินนี่ก็ตั้งอัตโนมัติหรือว่าเรือนี่ก็ตั้งอัตโนมัติ กับตันก็ไม่ต้องไปดูอะไรมันมันจัดการดำเนินการไปเองโดยอัตโนมัติของมันนี่ก็เป็นการประคองจิตเอาไว้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลจะเป็นอะไรก็ได้แต่ก็ประคองจิตอ า, าจิตเอาไว้ให้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งในจิตมันฟุ้งมันชัดสายมันแล่นไปในอารมณ์ต่าง ไม่ยอมสงบไม่ยอมนิ่งอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดได้เลยจนมองฟุ้งไปถึงเรื่องที่เรารักเราชังเราแสดงว่าคุ้มฟุ้งไปทางกา ร, รมฉันกับปยาบาทมันก็ต้องพยายามข่มจิตจากความรู้สึกเหล่านั้นคือสรุปว่าจิตมันตกอยู่สายกิเลสหรือว่าสายของความทุกข์สายกิเลสนะฮะสายกิเลสเนี่ยเป็นหลัก ก็พยายามจะค่มจิตเอาไว้ย้ายมันฟุ้งซ่านซัดสายไปตามแรงของกิเลสเหล่านั้นทีนี้บางทีในจิตมันไม่พร้อมจิตมันหดหู่จิตมันไม่กระตือรือรน้นไม่กระตือกระเฉงไม่ปะเปรียวที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติจึนเกิดการสัมผัสผลในทางที่ดีขึ้นตัว น, นี้ก็ต้องพยายามทําคิดอะไรให้มันจิตมันรา่าเริงบึกบานแจ่มใส เช่นท่านล่าถึงพระรูปหนึ่งเป็นได้จากกุมารในราชบรลิชวีออกบวดชวันเป็นเพียรอยู่ในป่าก็ได้ยินเสียงที่เขาสนุกสนานคลื้นๆกันอยู่ในเมืองก็เกิดรู้สึกสลดตัวเองทต่ไม่มาอยู่ในป่ามันคนได้ตกต่อที้อย่างนี้แล้วก็ได้สติก็ชุก ค, คิดขึ้นมาก็เตือนตัวเองเขียนว่าตัวเองนั่นที่จริงแล้วก็ดีที่สุดมีโชคดีที่สุดแล้ว ก็คนเหล่านั้นก็บังหลงไหลหลับไหลไปตามกระแสของกิเลสแต่ตนก็ไม่หลงไหลหลับไหลไปตามกระแสกิเลสก็พยายามพูดพยายามคิดพยายามอธิบายให้เหตุผลแก่จิตนะคะคล้ายๆกับสอนจิตจิตสอนจิตเหมือนอย่างพระจักุบาลท่านเจริญกรรมฐานแล้วก็เกิดโรคในตาขึ้นมามีเข้าจะบอดหมอก็บอกให้ท่านนอนหยอด รักษาตาท่านไม่ยอมนอนเพราะท่านถือธุดงไม่นอนตลอดสามเดือนก็ต้องการรักษาสัจจะตรงนี้เอาไว้มาถึงหมอก็ยื่นคําขาดว่าถ้าท่านไม่ยอมนอนดยดตาเนี่ยผมก็เลิกรักษาแล้วท่านอย่าบอกว่าผมเป็นหมอรักษาท่านตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราก็ขาดกันมันเป็นถึงคราวที่จะต้องตัดสินใจเลือกก่อนจะเลือกไปซ้ายหรือไปขวา จะเลือกตามบอ่อหรือเอกักระสาสัจจะเอาไว้มันก็ปรึกษาตัวเองปอุ ป, ปบอปตัวเองให้ลองคิดดูให้ลองตัดสินใจดูว่าโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาบวชในสนักพระพุทธเจ้ามาได้มีโอกาสมันเพ็นเพียงปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยมันไม่ได้มีบ่อยๆแต่ว่าการเกิดในสังสารวัฏดก็ตาบอดไปในไหนภพชาติตา่างๆมันมีเป็นเด็กกนนั้น จะบอดไปอีกสักชาติก็เป็นได้ไปเพราเคยบอดมาแล้วแล้วต่อไปก็จะบอดอีด้วยนะฮะทำไม่ทาที่สุดแต่งทุกข์ก็ได้ในสุดท่านก็สอนตัวเองตักเตือนตัวเองเจนจิตใจมีความสงบแล้วก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าตาจะบอดก็ให้บอดไปแต่ว่าจะไม่ทําลายสัจจะวาจาที่ตั้งเอาไว้ที่จริงเป็นสัจจะที่ท่านตั้งของท่านเองนะฮะ หรือว่าใครมบาบังคับท่านแต่ท่านตั้งไว้แล้วเนี่ท่านก็ต้องรักษาได้ในสุดท่านก็ไม่ยอมนอนหยอดตาหมอเลิกก็เลิกไปมาเป็นเพียงไม่นานก็บรรลุมรคผุนพร้อมด้วยตาบอดบรรลุว่าสนเสร็จก็ตาบอดพอดีนี่ก็คือแนวที่เรียกว่าทําจิตได้ร่าเรืองทีนี้บางทีในจิตมันมันใส่มันใส่ มันก็เป็นดูจิตจิตของเราในขณะนั้นเป็นยังไงตามปกติจิตมันก็จะตกไปอยู่ในกุศลนั่งกุศลกลางกลางอั่นะตกไปสามอย่างยังได้อย่างหนึ่งถ้าจิตตกไปในฝ่ายอกุศลก็ทําอย่างที่ว่ามาแล้วคือต้องควงจิตต้องห้ามจิตต้องกั้นจิตเอาไว้ถ้าจิตอยู่ตกไปในฝ่ายกุศลก็ต้องประคับประคองรักษาจิตเอาไว้ องค์จิตมันเฉยๆมันมันไม่ขยับก็เยื่นไปได้ก็ต้องพยายามกระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดฉันทาอุตสาหะที่จะก้าวไปบนเส้นทางที่ถูกที่ควรเพราะแต่เราดูจิตเนี่ยในแนวจิตตาอุปั ส, สนาตริปทานเนี่ยตัจิตก็มีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะเรสรุปว่าจิตมันจะตกไปสายกุศลหรือสายอกุศล ต, an, an, ตัวหลักเนี hmm. ่ยม mm ันจะอยู่ที่กุศลเนี่ยกุศลตัวกลางกลางไม่เคแปลกัอะไรทอะไรหรอกจะอยู่ในฝ่ายอกุศลก็พยายามข่มอยู่ในฝ่ายฝ่ <Yeah. S 1> ายกุศลก็พยายามระคับประคองนกษาไว้แลว้วก็เพิ่มพูนเร่งความเพียรเร่งสติเร่งสัมมชัญญาให้จิตดําเนินไปได้นานๆก็เป็นการต่อสู้กับกระแสความคิดของเราเองนะ ว่าความคิดของเราในขณะนั้นๆเป็นยังไงจะพยายามเอาอต่อสู้กับความคิดเหล่านั้นให้ได้วานก็เพ่งดูจิตตรวจสอบจิตตัวเองเหมือนการคอะคนที่จิตไม่ตั้งมัน่นอันนี้บางทีมันเรื่องมันทาให้เรื่องเสียเช่นเราไปไหนมาไหนกับคนที่จิตอ่อนไหวเนี่ยทำเสียเรื่องหมด เช่ไม่ควรจะส่งเสียงดังแกก็ส่งเสียงดังไม่ควรปีดก้าแกปี๊ดก้าขึ้นมาไม่ควรเนี่ยวุ่ยวายแกวุ่ยวุยวุ่ยวายขึ้นมานี่เราก็เสียเรื่องหมดเลยมีเขาเล่าทหารก็เล่าให้ฟังว่าไปลาดตะเวนกับทหารประเทศหนึ่งมันไม่มีระเบียบไหนแกบอกมันไม่มีระเบียบไหนเลยเอาปืนคาบินไปยิงกระรอก ไปซุ่มเพื่อจะสวดดูคัดสึกแกเอาปืนไปยิงต้องการไปกินกระรอกนั่นนั่นเองแกบอกว่าแหมมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหลือเกินนั่นคือคนที่จิตใจมันอ่อนไหวไม่มั่นคงไม่หนักแน่นมีอะไรก็ตกใจมีอะไรก็ตื่นมีอะไรก็ส่งเสียงอะไรเนี่ยนั่นคือการคว บ, บคนที่จิตไม่ตั้งมั่นในลําบาก เพราะว่าแกดึงปัญหามาสู่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทํายังไงจึงจะได้คนที่ก็ตั้งจิตไว้ดีๆนะฮะคือจิตที่เขาผาสะบัคมของคนจิตที่ตั้งมัน่นเพราะแนวกรรมาฐานมันจะเป็นแนวกัลยาณมิตรเขาเรียกวุกะละสาสปายะนี่ต้องได้คนประเภทที่เป็นกัลยาณมิตร มีความปรารถนานดีมีความรักใคร่ต่อกันมุ่งกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันเดี๋ยพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วงสุขกันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยกันป้องกันช่วยกันแก้ไขช่วยกันกระจัดปัดเป่าการติดตามกระแสของจิตกระบวนการตรงจิตเมันก็ตามยากอนะ ไปจิตแกก็ว่าไปแบบมาแบบมาแวะไปเราก็ตามไดียดเดถ้าหากว่าเราไปได้คนที่จิตใจมันมั่นคงก็มาเป็นมิตรยิงเดี๋ยวไปกันใหญ่แต่ได้คนที่เป็นกัญยาณมิตรเข้ามาร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยมันได้ปรึกษากันได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันว่าจิตมันเป็นอย่างเนี้ยเวลนี้จิตมันเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไงที่จะให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิต มันก็ช่วยกันคิดช่วยกันทาช่วยกันศึกษาหาทางาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อปรึกษา ห, าหารือกับท่านว่าคนนี้ควรจะทํายังไงดีท่านก็จะชี้แจงแนะนําให้แล้วข้อต่อไปทั้งบอกพิ่นาพี่ชนาฌานและวิโมกอันนี้มันต้องเกิดนะฮะต้องเกิดแต่ว่าฌานเนี่ยมันเป็นฌานส่วนเหตุอยู่ด้วยคือฌานส่วนเหตุนั้นก็ เ, เรียกว่าอารมณ์มนุษย์ฌานคือแผงดูอารมณ์ อารมณ์ที่เราเออกมากำหนดระลึกเนี่เราก็เพ่งดูให้จิตสงกจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียนั้นจะเป็นลมหายใจเข้าออกจะเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆจะเป็นศีลานุสติจาคานุสติจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะก็แล้วแต่อันนี้ก็คือฌานที่เราจะต้องเพ่งดูแต่ว่าบางทีนีจิตมันโน้มเอียงไปในทางที่เรียกว่าลักขณูปนิฌานคือชอบคิดชอบพิจารณาชอบแยกแยะ สิ่งหลายออกไปเป็นขันธ์ธาเป็นนายาตนาเป็นินทรีเป็นสัจจะอ่เาเป็นรูปทำนามทำอะไรต่ไรเนี่ยก็แล้วแต่แต่คิดแจกก็ไปเป็ขอไม่เทียมเป็นทุกข์เป็นน้ำตาเนี่ยมันก็เพ่งพิจารณาตามไปคือไม่ต้องไปสนใจนะจิตมันน้อมไปตั้งสมถะก็เอาวิปัสสนาก็เอามันก็กรรมฐ า, านด้วยกันเนะี่ยพิจิตตนี่อเอาแก่ไม่เคยได้หรอกแต่เราใช้ประโยชน์กับแก่ให้ได้ บางทีวันวันดีเกิดดีเกิดหนักไปในทางจะสงบมันก็ตามไ ป, ไปวันดีหนักไปในทางที่จะใช้ปัญญาพิจารณาก็ตามไ ป, ไปแต่ว่าถ้าออกไปจากกิเลสก็ไม่ตา ม, มานะฮะเลี่ยนแต่ว่าถ้ายังอยู่ในคันลงแห่งธรรมะก็พยายามที่จะตามดูจิตไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาตามไปทีนี้ในส่วนหนึ่งก็ส่วนผลฌานส่วนผลกับวิโมก์ส่วนผลเนี่ย หมายความว่าเราดูตัวาอารมณ์ที่เป็นกุศลภายใ น, นจิตเราดูเสีมีหรือไม่เช่นว่า ม, มีวิตกที่เป็นกุศลหรือไม่มีวิจารณ์ที่เป็นกุศลหรือไม่มีปิติที่เป็นกุศลหรือไม่มีสุขที่เป็นกุศลหรือไม่สุขก็เป็นกุศลนั่นนะฮะมีเอกกตตาหรือไม่จิตเป็นสมาธิหรือไม่ก็ไปดูเป็นพิจารณาไปทีนี้ถ้าเห็นถ้าเห็นก็ต้องประคับประคองไว้อกีกอ่ะ ทงรงประคัประคอง ร, รักษาไว้ถ้ายังไม่เห็นก็พยายามต่อไปไม่เป็นไรก็พยายามต่อไปพยายามไปอย่างเงี้ยจนเห็นเห็นแล้วก็พยายามรักษาและพยายามพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไปก็ประณีตขึ้ไปในองค์ฌานตามที่ทรงเรียงลําดับเระไว้ว่าประตุณจฉานั้นประกอบด้วยองค์งห้าคือวิโตกวิจารปีติสุกเอกกัตตา ทุติยฌานประกอบโดยองค์สามคือปิติและสุกเยกัตตาตุติยฌานประกอบโดยองค์สองคือสุกเยกัตตายะตุติยฌานประกอบโดยองค์สองคือเบคาเรกัตตาก็ดูก็รู้ว่าทํำให้ทําให้เรารู้ว่าเราตอนเนี้เราอยู่ในองค์ฌานคนนั้นคนนั้นแล้วเราพิจารณาให้เห็นที่นี่ไอ้วิโมกนี่แปลว่าจิตที่หลุดพ้นจากกำเนาจของกิเลสวิโมกปะโมกนะ โมกษาก็แล้วแต่หมายความไม่จิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสการหลุดพน้นก็หลุดพ้นได้หลายระดับแต่ระดับใหญ่ๆก็มีสามระดับรดับหนึ่งการหลุดพ้นชั่วขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งด้วยอารมณ์นั้นๆเป็นการหลุดพ้นไปได้เช่นว่าหลุดพ้นจากความโกรธไปได้จากความดิสยาไปได้จากความแข็งดีไปได้ความบวดดีไปได้เนี่ยก็ถือเป็นการหลุดพ้นระดับหนึ่ง เรามหลุดพน้นแล้วก็พยายามปฏิบัติต่ตอไปให้มันหลุดพน้นนานขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าในองค์ฌานดังดังดังกล่าวเนี่ยการหลุดพน้นมันก็จะหลุดพน้นได้นานขึ้นตามกำมังของฌานที่เราให้บังเกิดขึ้นถึงอาจจะคิดเป็นชั่วโมงหลายหลายชั่วโมงก็ได้นะฮะแต่เราอยู่ในฌานแต่ว่าฌานเนี่ยมันมันเสื่อมได้เวลาเราออกมาออกจากฌานเ น, นี่ยฌานมันก็เสื่อม ไปรับรู้อารมณ์เิดรูปควาเสียงรุงผิ่นลิ้มรสเนี่ยเพราะฉะจุดตรงนี้ยจิตไม่ค่อยแข็งนววะว่าที่จริงเนี่ยเราจึงมีข่าวบางครั้งบางคราวอาจารย์กรรมฐานมีปัญหาเรื่องเพศตรงกันข้ามอะไรต่ออะไรคือจิตท่านท่านไม่แข็งแต่ท่านตอนอยู่ท่านสงบมันก็สงบแต่ว่าพอแวม้มก็หิวนะก็ต้องพยายามให้สงบเอาไว้ถ้าไม่งั้นแล้วครั้งพลาดเราได้ง่ายๆ พาแนวพวกจิตอย่างนี้ส่วนมากที่ตามตำนานที่ปรากฏน่นะของพราหมณ์ก็ดีของเราก็ดีนี่ส่วนมากก็ถูกทำลายได้เิ็นตรงกันครับเพราะว่าตัวสมาธิมันเป็นตัวทาหน้าที่สงบกรรมฉันเอาไว้ทีนี้กรรมฉันเนี่ยมันไปกดมันไว้มันไม่จะถึงก็หมดไปนะฮะมันมันปเอาคล้ายกับอบมือไปกดทีสาอสศรพิษเอาไว้ไม่ใช่มันกตาย มันยังอยู่มันมีมันมีเรียบมีแรงนะพอได้จังหวะแกสลัดหลุดออกมาแกก็ออกกรธิ์ออกแรงขึ้นมาก็ทำให้เราควบคุมไว้อยู่ไว้ไม่ได้แล้วก็องที่ใจก็ตะลิดมันอุปมาคล้ายๆกับเรายืนคร่อมครองนะฮะคือขาทั้งสองขาไม่แข็งนะ เพราะฉะันรับสมาธิที่จริงไม่ใช่แข็งอะไรเท่าไหร่ต้องไกลห่างจากอารมณ์ที่เป็นปฏิปปะธรรมหรือที่เป็นคาสสึเราจะเห็นว่าแม้แต่คนที่จิตใจไม่มั่นคงเนี่ยเราก็ไปคบหาสมาธิมาแกไม่ได้ตีแกล่าเราเข้าป่าหายไปเลยแต่จะคบกับคนจิตใจที่มีความหนักแน่นมั่นคง ทีนี้วิโมกถึงวิโมกตัวหนึ่งเนี่ยมันวิโมกหรือปั่นโมกหรือวิมุตอะไรก็ตามมีสุดสันตินิพานแล้วแต่จะเดยกมันถึงจุดหดงเนี่ยสามารถสงบได้เด็ดขาดบางเรื่องบางตอนเราก็ดูซิว่ามันมันเด็ดขาดจริงๆหรือเปล่าในเรื่องนี้เด็ดขาดไปจริงหรือเปล่าถ้าไม่เด็ดขาดเนี่ยจะทำํำยังไงถ้าเด็ดขาดแล้วก็จะ จะทํำยังไงซึ่งเป็นหลักการสาคัญว่าในการปฏิบัติในมุ่งความเปลี่ยนแปลงของจิตที่สงบขึ้นแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นหมายความว่าตัวที่เราเห็นจริงๆก็คือเห็นตัวสมาธิกับเป็นปัญญาเนี่ยชัดต้องให้เห็นสมาธิกับปัญญาปรกากฏภายในจิตชาติตัวสมาธิก็คือตัวชาตนะฮะแล้วก็ปัญญาก็คือตัววิปัสสนา แต่เราไม่เห็นเราก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำต่อไปพิจารณาให้เห็นถ้าไม่เห็นก็ทำต่อไปถ้าเห็นก็พยายามรักษาไว้แล้วก็พยายามต่อไปทั้งหมดอ่ะมันเป็นแนวของสัพปทานความเพียรสองข้อหลังนะะคือหมายความว่าเพียรเจริญกุศลได้ยังไม่เกิดได้บังเกิดขึ้นแล้วรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสือ่อม แล้วก็เพียรต่อไปรักษาไว้เพียรต่อไปรักษาไว้เพียรต่อไปรักษาไว้จนยึดกลุ่มทุนที่ได้ทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นการชนะเป็นการต่อสู้กับกิเลสในสนามรบคือจิตนะฮะคือต่อสู้กันไปในจิตและจิตใจของบุคคลนั่นเองก็ต้องน้มนอมเข้าหาตัวสมาธิสัมปชงวิตใจมันโนบเยียงก็หาสมาธิสัมปชงแต่และข้อเนี่ยทรงแสดงเหมือนกัน หมายความว่าสามพจน์ก็ใด้็หนึ่งมันเกิดขึ้นก็ให้รู้ถ้าไม่เกิดก็ให้รู้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถจะรักษาได้โดยวิธีใดก็ให้รู้เตรียมเกิดจะทำยังไงให้เกิดขึ้นก็ให้รู้ก็สรุปว่าใช้อาการของสติสัมจชัญญะและความเพียรในที่หนุนเนื่องกันไป เพิ่มพูนสิงน่งเหล่านี้เพิ่มพูนกุศลทั้งเจ็ดประการขึ้นมาภายใน 7. จิตึงสายชนทั้งหลายจะเห็นว่าื่อชมเจ็ดประการก็ที่จริงก็คืออะไรมากทีองค์แสีนั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจคือไม่พูดกันก็ เ, เป็นการพูดระดับสมาธิทีนี้ตั้งแต่สติมาก็เป็นสมาสติ แล้วก็ธรรมวิจยะก็เป็นธมาธิติสมาธสังกัปปะวิยะก็เป็นธรรมะไาาวยารรม ะ, มะแล้วก็ปิติกเเ็เป็นสมาสมาธินะฮะบิติปิติปัสสติสมาธิอุเบขาเนี่ยเป็นสมาสมาธิแต่ตอนนี้เราก็มาถึงข้อที่หกนะฮข้อที่หกจะมีข้อหนึ่งทึ่เป็นข้อที่สําคัญเป็นอาการของปัญญาก็เรียกว่าอุเบขาเนี่ย ว่าในแนวสติสัมโพมีใหญ่แนวโพปรดชมดประการก็คือการพยายามเพิ่มภูมิคุ้มกุศลเพิ่มภูมิคุ้มกุศลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วว่าเวลาจําแนกแสดงอธิบายเนี่ยมันก็จําแนกอธิบายอย่างนี้แหละแต่ถ้าฟังลอนสังเกตองค์มนเรากินข้าวอะ่ะเรากินข้าวอาหารมันพร่องไปความอิ่มมันเพิ่มขึ้นความหิวมันลดลงะเดี่ยวแรงเพิ่มขึ้นความอ่อนเพลียลดลง พอถึงจุดหนึ่งความอิ่มเกิดขึ้นเต็มที่ความีิวหมดไปเต็มที่เหตุที่ยิวก็หมดไปเต็มที่ร่างกายก็มีเตี้ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้เป็นอาการที่หนุนเนื่องกันแนวภาวนาเนี่ยจะเป็นแนวอย่างเนี้ยแนวกินอาหารแนวกินยาแนวอาบน้ําแนวปลูกพืชเนี่ยหมายความว่าเราทำได้จริงก็เพียงอย่างเดียวสร้างเหตุเพียงอย่างเดียวว่าถูกต้องแต่เองแล้วผลมันก็ทยอยเกิด เราเกิดขึ้นตามลําดับตามกําลังนะมันไม่ใช่ว่าเกิดปวดได้ก็เกิดขึ้นได้ตามลําดับตามกําลังของมันที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เป็นหลักการปฏิบัติที่ทรงเน้นขยายออกไปค่อน ข, ข, ข้างวิจิตพนะิสดารเพื่อจะให้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ต้องการความสงบแม้ในปิติปิติสำเพอชงที่พูดมาถึง ภูมมาณนุสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ที่ยังลืมไปไม่ได้พูดนะฮะจนเว้นคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระรัตนใจเขาคนนับถือพระรัตนใจพิจารณาความในกระสูตดข้อความนี่คล้ายๆกันและอันเป็นนี้ตั้งเห่ยงความเลื่มนอมใสน้อมใจไปในปีติสังโคตรชงรเราเจ็นว่าอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเพราะไรเพราะว่าเขาเป็นกุศลดึกกุศลธรรมด้วยกันนั่นเองที่จะต้องเจริญด้วยกันต้งฝั่งทั้งหลาย แต่รลวงปู่ฏิยาเนี่ยวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุ ก, กันสวัสดี